พวกเราเป็นอยู่ในโลกหมอกอยู่ในโลกก็หมอกอยู่อย่างนี้นแหละมาได้หดูตา ด, ดูศีลดูธรรมก็เลยเป็นผู้หมอกอยู่ในโลกเห็นว่าโลกนี้เป็นเครื่องประการตาพระพุทธเจ้าพระสงฆ์กันสูงทั้งหลายจงมาดูโลกอันตรการตาดุจราชรถ ที่พวกคนเข่าหมอกอยู่แต่พวกพูรู้หาข้องอยู่ไหมพวกที่หมอกอยู่ในโลกคือพวกคนเขา่าแล้วก็ติดใจในโลกเห็นโลกอิระการตาคือสวยงามเหมือนราชรถราชรถคือสิ่งที่เขาเขาลานะเห็นไหมครับแล้วงานพระพ่น า, านมีราชรถสวยงาม บรรดาปดาตกแต่งทั้งกรงทั้งดุมทั้งนะทั้งแต่ทั้งอะไรสรารพัดบรรดาปดาสวยงามดูไปตรงไหนหสวยงามไปหมดติดหูติดตาติดอกติดใจสวยงามเห็นไปเรื่อยติดพิสดารโลกเราก็เช่นเดียวกันถ้าเรายังเพลินอยู่ในโลกเห็นว่าอันนั้นก็ดีอันนี้ก็สวยอันนี้ก็งามอันนี้ก็น่าสนุกสนานอันนั้นอันนั้นก็น่าเพลิดิน นิยมชมชอบชื่น อ, อกชื่นใจอยู่ไปวันๆหนึ่งตที่วอกหมกในโลกไม่เห็นโทษของโลกไม่เห็นโทษในความเป็นอยู่ของโลกนั่นแหละที่ว่าหมกอยู่ในโลกโลกคือสิ่ ง, ต, ต, งต้องแตกสิ่งต้องทำลายสิ่งต้องแตกสิ่งต้องทำลายทั้งมวลโลกคือความเป็นอยู่ของสัตว์เนื้อทั้งมวโลกวันคืนลงไปก็จะมีอะไร หนตาตลอดมุดกับแจ่มืุดกับแจ่มีอะไรเป็นโลกมีมีอะไรเป็นของเก่ามีอะไรเป็นของใหม่ขนามันล่วงไปขณะนี้ล่วงไปขณะนั้นล่วงไปวันล่วงไปคืนล่วงไปก็ถือว่าเวลาล่วงไปเราก็มาสมมติรเรกันมาสมมุติอยากเป็นวันอาทิตย์จนันทร์รอังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์ มาสมมติเรียกกันเป็นด้วยกัน A และ B และสามและ C ไปจนถึงเด12มาสมมติเรียกมันมกอาราคุมพาเมนาเมสาทุสภาสมมติไปตามสีที่มีสีที่เป็นสีที่มีสีที่เป็ น, ท, ท, ปนที่ทําให้เราสมมติได้ก็คือดวงอาทิตย์ก็คือดวงจันทร์เราก็สมมติไปเราก็เรียกกันไปเพื่อไม่ให้มันสับสนวุ่นวายเพื่อเกิดความสะดวกสบายในการเครียด ในการเรียกในการขานชื่งกันหรือกมีความเป็นไปของโลกแต่ถ้าเราเรามาดูที่ขณะจิตก็ไม่มีอะไรมันมีจะล่วงไปล่วงไปล่วงไปสมมุติเรียกว่าวันสมมุติเรียกว่าเวลาก็ล่วงไ ป, ล, งไ ป, ล, งไปล่วงไปล่วงไปเราก็เลยเรียกว่าปีเก่าล่วงไปก็เลยเรียกว่าปีใหม่เข้ามาปีเก่าปีใหม่ก็ไม่มีอะไร เราก็เราคนเดียวจิตใจก็จิตใจดวงเดิมถ้าเราสุขเราทุกข์ก็จิตใจดวงนี้แหละสุขทุกข์ถ้าเราทําไม่ดีก็จิตใจดวงนี้แหละไม่ดีถ้าเราทําดีก็คือจิตใจดวงนี้แหละดีถ้าเราได้รับความสุขก็คือจิตใจดวงนี้แหละได้รับความสุขถ้าเราได้รับความเจริญก็จิตใจดวงนี้แหละได้รับความเจริญ ความสุขกับความเจร so kind of so ิญทั้งหลายทั้งปวงมันไม่ขึ้นอยู่กับวันเวลานาทีปีเก่าปีใหม่มันขึ้นอยู่กับเหตุที่เราก่อทามันขึ้นอยู่กับเหตุที่เราก็ทําถ้าเหตุที่เราก่อทาเป็นไปเพื่อความสุขเพื่อความเจริญโดยศีลโดยธรรมมันก็จะมีความสุขมีความเจริญโดยศีลโดยธรรมเป็นหลักก็แกันมันเป็นไปตามเหตุถ้าเราไปทําเหตุไม่ดี เป็นปีเก่าก็ตามให้เป็นปีใหม่ก็ตามผลที่ไม่ดีอะไนมันตามมาตามมาเผาลนกิจจ์ตา ม, มาทําให้เราประสบความทุกข์ความยากความลำบากความเดือด้อนความวุ่นบายวุ่นบายที่ไหนเราเอาใจไปทําในสิ่งที่ไม่ดีทําเกิดความวุ่นบายผลเราก็ย่อมได้รับความวุ่นบายเป็นธรรมดาแต่ถ้าเราน้อมมาเพื่อสินเพื่อธรรม ต้องการรักษาศีลศีลนี้นก็จะช่วยทําให้เราได้รับความสงบกายจะทําให้เราได้รับความสงบปายจาทำจะทําให้เราได้รับความสะอาดกายจะทําให้เราได้รับความสะอาดวาจาและจะทําให้เราได้รับความสะอาดใจมันเริ่มเริ่มมาตั้งแต่การามีศีลมีธรรมการรักษาศีลแล้วก็มาตั้งใจเจริญสมาธิกกให้ิได้รับความสงบไม่ให้กิเลสมันยุ่ยเกาะควรให้จรริตรู้ดอนกำเริบเสพสาร เมื่อเราตั้ง อ, อกตั้งใจทําก็เป็นการสร้างเหตุที่ดีผลที่ดีย่อมตามมาเราต้องการให้จิตของเราได้รับความสงบตั้งใจฝึกฝนอบรมตั้งใจภาวนาตั้งใจนั่งสมาธิตั้งใจเดินจนกลมเราสร้างเหตุผลก็ย่อมตามมาคือความสงบจิตแน่นแน่นเป็นสมาธิก็มีความสงบการได้รับความสง บ, สงบทำนี้เนื่องจากว่ากิเลสมันสงบทําไมถึงสงบ เพราะเราบริกรรมระบังคับบรรจห้จิตได้รับความสงบเมื่อได้รับความสงบได้รับความสุขได้รับความชุ่มได้รับความเย็นในหัวอกในหัวจิตในหัวใจได้รับปีติได้รับความเปิดกอิ่มในหัวอกหัวใจเราดูไปที่เหตุพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนทั้งหมดในโลกนี้แล้วก็บรรดาธรรมทั้งหลายรองทรงสอนขึ้นกับเหตุกับผลเท่านั้นเอง ทำเหตุอย่างไรผลก็เกิดขึ้นอย่างนั้นสร้างเหตุไม่ดีก็ยังได้รับผลไม่ดีสร้างเหตุอะ้ทุกข์ยากลําบากก็ยังได้รับผลคือความทุกข์ความยากลาบากสร้างเหตุให้เกิดความสุขเกิดความเชื่อมชื่นเบิกบานเกิดความเจริญโดยศีลโดยธรรมเราก็รับได้ในรับความสุขความเจริญโดยศีลโดยธรรมต้องการให้จิตได้รับความสงบเราก็สร้างเหตุลงไปภาวนาลงไปนั่งสมาธิเข้าไปเดินจุกรมเข้าไปผล ที่ตามมาจิตย่อมได้รับความสงบย่อมได้รับความสุขเอาจิตที่ได้รับความสงบที่ได้รับความสุขที่ได้รับความเปิดกบานนี่แหละมาพิจารณามาพิจารณากายของเรามาพิจารณาใจของเราเพื่อทําลายความนุ่มหลงเราก็ย่อมได้รับความสุขย่อมได้รับความเจริญย่อมได้รับความรู้ย่อมได้รับความรอบรู้ในกองขันในสังขารขันนั้นนี่ร่างกายเราเป็นสังขารขัน เวทนาก็เป็นเวก็เป็นสังขารขันสัญญาก็เป็นสังขารขันวินสังขารก็เป็นสังขารขันวิญญาณก็เป็นสังขารขันทำไมทํานทำไมเราจึงเรียกว่าสังขารทางนั้นก็เพราะมันมีได้เป็นได้เกิดขึ้นได้ประกอบไปด้วยสิ่งส่วนส่วนประกอบหลายๆอย่างมาประกอบกันจึงเป็นแต่ละอย่างแต่ละอย่างระอย่างร่างกายก็ต้องประกอบด้วยสังขารหรือเหตุหรือปัจจัย ที่เป็นกายขึ้นมาเหตุปัจจัยของกายก็คือประกอบไปด้วยดินน้ำลมไฟเกิดขึ้นมาได้ด้วยเหตุด้วยปัจจัยที่พระพุทธเจ้าทั้งรงแยกแยะเข้ามาแล้วคือเหตุปัจจัยที่ประกอบไปด้วยาธาตุดินประกอบไปด้วยาธาตุน้ำประกอบไปด้วยาธาตุลมและประกอบไปด้วยาธาตุไฟอีกอย่างก็คืออากาศธาตุที่มีอยู่ในกายนี่คือเหตุปัจจัยของกายได้มาจากาธาตุขันธ หรือสังขารของพ่อกับสังขารของแม่ประกอบกันได้รูประคันขึ้นมาได้นามขันเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณส่วนสัญญาสังขารเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นส่วนของนามเป็นอาการของใจเป็นกิริยาของใจซึ่งในเมื่อใจได้รูประทับแล้วนามธรรมก็จะต้องมีสิ่นี้มาประกอบด้วยคือเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขัน เวทนาขันก็คื อ, เ, อเวทนาเวทนาที่เกิดขึ้นจากความยินดีของความสุขของกายความทุกข์ของกายความสุขของใจความทุกข์ของใจเันเรียกว่าเวทนาขัน เ, เวทนาขันเวทนาขันอันนี้เป็นขันเป็นกองอันหนึ่งถ้าเราดูไปที่สภาวะธรรมสภาวะธรรมอันนี้ก็คือจิตได้รับความเสวย จิตดีใจจิตยินดีจิตยินร้ายเนี่ยมันเป็นมันเป็นเรื่องของเวทนามันเป็นเรื่องของสุขเวทนามันเป็นเรื่องของทุกขเวทนาจากนั้นสุขเวทนาของกายก็มีคือร่างกายมีความสุขมีความพอิจพอดีไม่เกินความพอดีร่างกายได้รับความทุกขก็เป็นทุกขเวทน า, าก็คือได้รับความเจ็บแสบปวดร้อน คือทุกเวทนาของกายอันนี้ก็เป็นขนนันธ์อันนึ่งทั้งทั้งกายก็ตามทั้งเวทน า, าทั้งส่วนกายก็ตามก็คืออาศัยจิตและเป็นผู้รับทราบจิตเป็นผู้รับทราบจิตเป็นผู้ครองกายจิตเป็นผู้ดูแลกายจิตเป็นผู้รักษากายจิตอาศัยกายเป็นถ้ำเป็นครูหาเป็นที่พึ่งเป็นที่อาศาัย ร่างกายนี้เกาะคุมกันได้ด้วยอํานาจของกรรมธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟภายในกายของเราเนี่ยที่มาเกาะคุ่มกันได้เป็นรูปเป็นร่างกลาวตัวของเราของท่านอาศัยเกาะคุ่มกันได้ด้วยอํานาจของกรรมอาศัยอํานาจของกรรมของธรรมเนื่องจากว่าเราเกิดด้วยอํานาจของกรรมเรามาด้วยอํานาจของกรรมเราเกิดด้วยอํานาจของกรรมเราเป็นอยู่ด้วยอํานาจของกรรมและเราจะเป็นไปด้วยอํานาจของกรรม เกิดรูปร่างกลางตัวเกิดรูประธรรมนามธรรมก็เกิดมาซะหรอกมาประกอบกันกับกับกายอันนี้เพราะว่าจิตเมื่อเกิดเมื่อเมื่อมาได้อาศัยกายแล้วจิตก็จะต้องมีเวทนาขันเวทนาขั น, เ ว, น, ขนเวทนาคือการสร้ยอารมณ์ใจมารับสร้ยอารมณ์ของกายสุขเวทนาทุกขเวทนาใจมารับสร้ยอารมณ์ ของใจโดยเฉพาะที่เรียกว่าโสมนัสทเวทนาคือความดีใจโทมณัสเวทนาคือความเสียใจหรือความดีหรือความดินร้ายนี่เป็นขันธ์อันหนึ่งที่เกิดขึ้นเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สัญญาขันธ์ก็คือความจำได้หมายรู้ของใจความจำได้หมายรู้ของจิตของใจนี่แหละมันมีทั้งส่วนของการจาได้ จำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำสีแสงจำรูปพันสันธานต่างๆทั้งหลายทั้งปวงจำเสียงทั้งหลายทั้งปวงได้อันนี้เป็นเรื่องของความจำอันนี้เป็นอาการของใจเกิดขึ้นมีขึ้นเป็นขึ้นตามภาวะของใจเป็นอาการของใจเป็นส่วนอีกหนึ่งต่างหากในเมื่อมีกายใจก็ยึดกายในเมื่อมีเวทนาใจก็ยึดเวทนา ที่ III. ท, ท, arrived, ท, ท่านเรว่าเวทนาข well ันท cool. ี่เมื in mm ่อ hmm. ม right. ีส <ening> ัญญาใจก็ยึดสัญญาสัญญาคือความจําได้คือความหมายรู้หมายความหมายรู้หมายรู้นั้นหมายรู้นี้หมายกัดนั้นหมายเกณฑ์นี้หมายสําคัญมั่นหมายในสิ่งนั้นสําคัญมั่นหมายในสิ่งนี้มีการคาดมีการเดามีการกัดมีการเกณฑ์ท่านเรียกว่าสัญญาขันหากว่าเป็นขันกองหนึ่ง เป็นกระบวนการของของจิตอันหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นสัญญาขันเพื่อประกอบให้ความเป็นอยู่อาศัยความอาศัยความจดความจำนี่แหละทําให้เรามีความเกี่ยวข้องมีความผูกพันมีการรู้จักเอามาใช้สอยให้เกิดประโยชน์ให้ได้รับประโยชน์นีสัญญาขันสังขารขันก็คือกองอันหนึ่งสังขารขันท่านหมายถึง ปุญญาพิสังขารปุญญาพิสังขารสังขารปรุงในสิ่งที่ดีสังขารนึกคิดในสิ่งที่ดีสังขารนึกคิดในสิ่งที่ไม่ดีและสังขารที่ไม่นึกไม่คิดสังขารที่เป็นกลางกลางที่ท่านเรียกว่าอาเนชาอเนชาคือความสงบของจิตที่เข้าลงสู่ในฌานตอนที่ตอนที่จิตได้รับความสงบอยู่นั้นจิตจะไม่คิดไม่ปรุงเรื่องอเรื่องบุญเรื่องบาป ท่เรียกว่าสังขารขันมีอยู่ประจำเป็นแขนงหนึ่งของจิตและอีกวิญญาณขันวิญญาณขันคือความรู้แจ้งขันที่มีความรู้แจ้งรู้แจ้งทางตาท่เรียกว่าจักขุวิญญาณรู้แจ้งทางหูท่เรียกว่าโสตะวิญญาณรู้แจ้งทางจมูกท่าเรียกว่าคาณวิญญาณรู้แจ้งทางลิ้นท่เรียกว่าสิวหาวิญญาณแล้วก็รู้แจ้งทางทางกายสัมผัสเรียกว่า ากายะวิญญาณรู้แจ้งทางใจท่าเรียกว่ามาโนวิญญาณวิญญาณอันนี้คือการรับทราบคือความรู้ที่ออกมาจากจิตมารับทราบเห็นอยากตาเห็นรูปภาพทําให้เกิดจักขุวิญญาณตาอายตนะภายในโรคอายตนะภายนอกพอกระทบกันเข้าเนี่ยทำให้เกิดวิญญาณที่ท่านเรียกว่าจักขุ่วิญญาณรู้แจ้งทางตาทางหูจักโสตะวิญญาณรู้แจ้งทางหู กระทบทางหูจมูกกับานวิญญาณกระทบกระทบทางจมูกรู้แจ้งทางจมูกลิ้นกับเิวหาวิญญาณกระทบทางลิ้นสัมผัสสัมพันธ์ทางลิ้นเกิดความรู้สึกทางลิ้นกายเกิดความรู้สึกทางกายกายวิญญาณและความน้อมนึกภายในจิตนั่นท้่เรียกว่ามาโนโวิญญาณน้อมนึกตรองนึกคิดอยู่ภายในจิต loop, นึกเรื่องเก่านึกเรื่องใหม่นึกขันึกดาว น, loop, นึกอะไรสา ร, รพัดเนี่ย เป็นมโนวิญญาณวิญญาณนี้มารับทราบแยกเดีย<ะ>เด๋ยวแล้วก็ดับไปแยกเดียวแล้วก็ดับไปแ็กเดียวแล้วก็ดับไปเช่นอย่างตาเห็นรูปปั๊บรับทราบว่ารูปสีดำรูปสีแดงรูปในกอรูปในขอหรือว่ารูปสิง่งรูปของสิ่งนู้นสิ่งนี้ที่เราไปไปดูไปสัมผัสปั๊บก็ดับไปเกิดความรู้เกิดความรู้แจ้งทางตาแยกเดียวแล้วสัมดับไปแยกเดียวแล้วก็ดับไปแยกเดียวแล้วก็ดับไปสีที่เห็นใหม่ก็คือ รับทราบใหม่แล้วก็ดับไปเห็นอยู่ใหม่เรืยๆรับทราบไปแล้วก็ดับไปได้ยินทางหูได้ยินปั๊บแล้วก็ดับไปได้ยินใหม่มอีกก็ไปรับทราบไปแล้วก็ดับไปวิญญาณคือความรับทราบหลงตานั้นว่ารับทราบแยกแล้วก็ดับไปแยกแล้วก็ดับไปอ่านี่คือคือนามะขันเรามีรูปประขันคือร่างกายนี้แล้วก็เรามีนามะขันคือเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขัน ทั้งรูปทั้งนามทั้งทวงเป็นทั้งห้านี้คืออะไรคือผลิตผลของกิเลสผลิตผลของกรรมเนื่องจากว่าใจเรามีกิเลสเรามาได้พบเรามาได้ชาติเรามาได้อัตภาพเลยมีรูปประขันเลยมีนามประขันอันนี้นเมื่อไ ด, ได้ได้รับรูปบรูปประขันได้รับนามประขันอันนี้มาแล้วเราก็เป็นเหตุว่าต้องพยุงต้องเลี้ยงร่างกายอันนี้อ่า ต้องพิจารตรงเร่งร่างกายอั น, นให้ร่างกายนี้เป็นไปได้เป็นอยู่ได้และก็มีนามขันคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันเป็นเครื่องมือของใจอันเป็นเครื่องมือของจิตจิตคือผู้รู้จิตคือาธาตรู้อ่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นกิริยาของจิตเกิดขึ้นจากจิตเกิดขึ้นพร้อมจิตดับไปพร้อมกับจิตมันเป็นอาการแต่ละอย่างแต่ละอย่าง เพื่อมาเป็นการรับทราบจากความสัมผัสสัมพันธ์ระหว่างรูปกับนามของของขอ ง, ของตัวเราเนี่ทั้งกายก็ตามทั้งรูปธรรมก็ตามทั้งนามธรรมาก็ตามเกิดขึ้นจากอํานาจของกิเลส ท, ที่มีอยู่ภายในจิตเนื่องจากจิตของเราด้วยกันทุกๆคนนั้นเป็นจิตที่ไม่บริสุทธิ์เป็นจิตที่ไม่สุขทิเป็นจิตที่ไม่บริสุทธิ์เป็นจิตที่เคลือบแฝงมาด้วยอํานาจของกิเลสตันหาอุ ป, ปาทาน เพราะฉะนั้นจึงเป็นเหตุยึดมั่นถือมั่นจึงเป็นเหตุยึดมั่นถือมั่นในภพในชาติความยึดมั่นถือมั่นในภพในชาติอันนี้คืออะไรคือพลังอํานาจของความอยากที่มีอยู่ภายในใจนั่นเองพลังอานาจของความอยากที่มีอยู่ภายในใจที่ท่านเรียกว่ากิเลสตัณหากามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณห า, าในเมื่อมันมีอยู่ในในจิต มีอยู่ในใจของเราก็ทำให้ใจของเราดินนด้นรนดิ้นร้านซ่านหาเรื่องนู้นหาเรื่องนี้หาไม่อิ่มไม่พออิ่มเรื่องนี้พอเรื่องนี้แล้วก็อยากเรื่องนู้นอิ่มพอเรื่องนู้นก็อยากเรื่องนี้อิ่มพอเรื่องนี้ก็อยากเรื่องนั้นไม่มีจบไม่มีสิ้นเราหามาป้อนให้มันอิม่มให้มันพอเท่าไหร่ก็ไม่มีความพอเพราะฉะนั้นท่านจึงว่าความอยากที่มีอยู่ภายในใจนั้นมากกว่าน้ำในมหาสมุทร นาิีตันหาสมานาทีหากมันหากมันดีดมันดิ้นดีดดิ้นแสวงหาไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิน้นเอาอันนี้มาให้มันแล้วก็สน่อยเบื่อหน่ายแล้วก็พอและแล้วก็แล้วก็ต้องการดิ้นไปหาสิ่งนั้นเอาสิ่งนั้นมาแล้วบำรุงบำรเรอพอแล้วก็ดิ้นไปหาสิ่งนี้เอาสิ่งนี้มาบำรุงบำเรอบำรเรอพอแล้วดิ้นไปหาสิ่งนั้นไม่มีจบไม่มีสิน้นมี การดีดการดิ้นของมันแต่และอย่างแต่และอย่างน่ะนำความทุกข์นำกองทุกข์มาให้กับเราเนี่ยดิ้นไปในเรื่องกรรมวัตถุกรรมวัตถุการมทั้งหลายคือรูปเสียงกลิ่นรสพภภุทธะเหมือนอย่างที่เราแสวงหาและเราบริโภคใช้สอยวัต ถ, ถุกรรมทั้งหลายทั้งปวงนี่แหละพวกสิ่งของทุกสิง่ง ท, ทุกอย่างนี่ก็เป็นวัตถุกรมอาหารทุกสิ่งทุกอย่างทุกรสทุกชาตินี่ก็เป็นวัตถุกรมเป็นวัตถุกรรม ของใช้ไม้สอยเครื่องนุ่งเครื่องหม่มบ้านช่องที่อยู่อาศัยเป็นวัตถุกลามแล้วก็ระหว่างคนกับคนเช่นอย่างผู้ชายก็เป็นวัตถุกลามผู้หญิงก็เป็นวัตถุ ก, กางเนี่ยเราก็มีความมีความชอบมีความต้องการซึ่งกันและกันมีอำนาจของความรับอำนาจของความใคร่ด้วยอำนาจของกามตัญหาวัตถุทั้งหลายทั้งปวงนั้นเป็นวัตถุกลาม ความใคร่ที่มีภายในจิตน่ท่านเรียกว่ากิเลสกรรมกิเลสกรรมกิเลสเป็นเหตุใคร่วัตถุกรรมทั้งหลายทั้งปวงน่วัตถุเป็นเหตุใคร่กิเลสตัณหาที่มีอยู่ภายในจิตท่านเรียกว่ากิเลสเป็นเหตุใคร่วัตถุกรรมทั้งหลายทั้งปวงนั้นเป็นเหยื่อของกิเลสกรรมที่มีอยู่ภายในใจกิเลสกรรมที่มีมีอยู่ภายใน ใ, ใจก็คืออำนาจของตัณหาที่มีอยู่ภายใน ใ, ใ, ใจ ปัญหาที่มีอยู่ภายในใจก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเคลือบแฝงมากับจิตกับธาตุรู้กับผู้รู้กับมโนธาตุมันเคลือบแฝงเข้ามาเพราะฉะนั้นใ น, ในเมื่อเรามีตัวพลังอำนาจของความอยากที่มีอยู่ภายในจิตเนะี่ยมันก็พาเราดิดด้นดิ้นเป็นเหตุให้ก่อเกิดพบก่อเกิดชาไม่จบไม่สิน้นดิ้นรนไปใ น, ในวัฏะสงสารไม่มีจบไม่มีสิ้นแหล เพราะฉะนั้นประพุทธเจ้าพระพองค์ทรงบัติขึ้นมาแล้วก็มาศึกษามาคนา้นคว้าว่าอะไรเป็นเหตุให้พายเกิดเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายพระอ ง, ง, ง ค, ง ค, งค์ก็ทรงพิจารณาทรงค้นคว้าทรงค้นคว้าทรงค้นคว้าไปก็ทําให้รองปร ะ, ประสบผลสําเร็จก็เลยดับอํานาจของความอยากนี้ได้ดับกามตันหาได้ดั บ, ะะา บ, าดดบภาวะตันหาคือพบคือชาติได้ดับวิภวตันหาคือ ความที่ไม่ต้องการในสิ่งที่มีแล้วเป็นแล้วคือไม่ยินดีไม่พอใจในในสิ่งที่มีขึ้นเกิดขึ้นตามหลักตามภาวะของธรรมชาติไม่ยินดีไม่ต้องการก็เรียกว่าวิพภวตันหาเช่นอย่างร่างกายเราเกิดมาแล้วร่างกายต้องแก่แต่เราไม่อยากแก่ความคิดฝืนหลักธรรมชาติอันนี้ก็เป็นวิพภวตันหามันจะต้องเจ็บแต่เราไม่อยากเจ็บนี่เป็นการคิดฝืนหลักความจริง ของวิภาวะตันหาเป็นวิภาวะตันหานมันจะต้องตายแต่เราไม่อยากตายต้องแก่ต้องเก็บต้องตายแต่เราไม่อยากแก่ไม่อยากเก็บไม่อยากตายความคิดฝืนหักล้างหลักธรรมชาติอันนี้ถ้าเรียกว่าวิภาวะตันหาเนี่ยความอยากได้นู่นอยากได้นี้อยากไปเกิดที่นู่นอยากไปเกิดที่นี่อยากเป็นนู่นอยากเป็นนี้เน่ยเป็นภาวะตันหาความมีความเป็นของจิตจิตอยากมีนู่นอยากเป็นนี้สารพัด นี่เราดูอํานาจของความอยากความอยากตัวเดียวที่มีอยู่ภายในใจของเราเนี่ยกลามาตันหาภาวะตันหาวิภภวะตันหามีอยู่ที่ใจในเมื่อตันหาต่างๆเหล่านี้มีอยู่รูปประธรรมเราก็มีอยู่นามธรรมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรวมแล้วเป็นขันธ์ทั้งห้าจึงมีเป็นเราเป็นท่านเกิดขึ้นมาจากท้องแม่ออกมาแล้วก็ทรมากินทุกข์ยากลําลบากเดือดร้อนรุ่วัยขนาดไหนพวกเราก็รู้แก่ใจ จเจริญเติบโตขึ้นมาเจ็บไข้ใดป่วยเป็นโรคมันเป็นโรคนี้สารพัดนี่คือกองทุกข์ที่ตามมากับรูปเกิดกองทุกข์ที่เกิดขึ้นมาตามมากับเวทนาขันกับสัญญาขันกับสังขารขันกับวิญญาณขันอันนี้เป็นเหตุที่เราต้องแก้เป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นเรื่องราวที่เราจะต้องแก้การแก้ท่านนี้รู้แต่เจ้าท่านทรงพิจารณาคนคว่าและเห็นช่องเห็นทางเห็นอุบายที่ทําให้เราคิดแก้ได้ การคิดแก้ก็คือการพยายามย้อนไปดูตัณหาพยายามไปดับตัณหาที่มีอยู่ภายในใจนั่นแหละเนี่ย <Yeah. S 1> ท่านได้พิจารณาได้แก้ไขพระองค์ได้บรรลุลุล่วงไปแล้วพ้นไปแล้วจากวัตัดสงสารเราไม่ต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายพระองค์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง mm hmm. เห็นว่ากายทางนี้ เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งนี้เนี่ยเป็นกองทุบเป็นก้อนทุบแล้วก็ย้อนไปดูที่ตัวจิตนะย้อนไปดูที่ตัวจิตก็เห็นสังก็เห็นตัณหานี่แหละเมื่อเห็นตัณหาแล้วพระองค์ก็ดับได้เมื่อพระองดับได้ก็ทราบว่าพระองค์ดับได้แล้ว พ, พบชาติของพระองค์พระองค์ดับแล้วพบชาติที่จะเกิดขึ้นมาอีกไม่มีอีกแล้ว งานการที่พระองค์จะต้องแสวงหาจะต้องทําให้ดีให้ดิบให้ดีขึ้นไปมากกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเนื่องจากว่าจบภบจบชาติจบภบจบชาติก็คือจบวัฏสงสารก็คือจบกองทุกข์ในหัวใจหัวใจตรงนั้นก็บริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีสองกับชินไทยถ้ารู้ของท่านเป็นทารู้ที่บริสุทธิ์ไม่เคลือบแฝงกับที่เหลือตันหาอาชวะที่จะไปเคลือบไปอาศัย จะไปแอบไปแฝงอยู่ในหัวใจที่บริสุทธิ์ดวงนั้นแล้วหัวใจที่บริสุทธิ์ดวงนั้นหมดไปจากโลกไหมไม่หมดไปจากโลกอหัวใจที่บริสุทธิ์ที่จําระขัดกล่าวได้แล้วไม่หมดไปจากโลกอัตภาพร่างกายขันห้าดับไปผู้รู้ผู้บอกบริสุทธิ์นั้นดับไปไหมไม่ดับไปก็ยังอยู่ในโลกแต่ว่าด้วยเหตุที่ไม่เกี่ยวข้องกับสมมุติพวกเราจึงไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจผู้รู้ที่บริสุทธิ์นั้น่ะ ถ, ถ้าเราชำระได้แล้วเราก็รู้ว่าผู้รู้เรานี้บริสุทธิ์หมดพบหมดชาติทำไมยึ่งหมดพบหมดชาติเพราะว่าเราไม่มีความนึกความคิดที่จะไปยึดสิ่งนั้นยึดสิ่งนี้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างตามภาวะที่มีจริงตามภาวะที่เป็นจริงก็เลยปล่อยไว้ตามสภาพของความเป็นจริงเห็นทุกเห็นโทษเห็นเวรเห็นภยัยเห็นอะไรสรพัดศึกษาให้รู้ ทะุปปูโปร่งเกิดความรู้เกิดความเข้าใจแล้วก็ปล่อยไว้ตามภาวะแห่งความเป็นจริงรูปก็ยอมรับว่าเป็นรูปตามภาวะแห่งความเป็นจริงของรูปเกิดขึ้นมาอย่างไหนเป็นอยู่อย่างไรและคติของรูปจะเป็นไปอย่งไรก็ทราบหมดก็วางรูปไว้ตามภาวะแห่งความเป็นจริงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ศึกษาจนรู้ตามภาวะความเป็นจริงเกิดขึ้นมาจากอํานาจของจิตของผู้รู้นั่นแหละแล้วก็ย้อนไปดู ตัวสาเหตุต้นต่อที่เราเรียกว่าสมุทัยคือกามาตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาเมื่อย้อนไปดูแล้วก็สามารถดับได้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นมาไม่ได้ดับไม่ได้มีความรู้ทั่วถึงที่เราเรียกว่าวิชาวิชาเกิดขึ้นแล้ววิชาก็ดับไปทีนี้คิดตรงนั้นก็ไม่มีพบไม่มีชาติไม่ต้องมาเกิดไม่ต้องมาเสาะหาที่ที่เกิดเพราะการเกิดแต่ละภบแต่ละชาติเอาทุกมาให้ นำกองทุกมาให้พบชาติแต่ละพบแต่ละชาตินำกองทุกมาให้เพราะฉะนั้นโปรงโศกนะครับความไม่เกิดเมื่อไม่เกิดก็ต้องไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายความทุกข์ที่จะตามมากับเกิดแก่เจ็บตายก็ไม่มีเป็นความสุขที่บริสุทธิ์ท่านเรียกว่าประมังสุ ข, ขังประมังสุ ข, ขังคือความสุขอย่างยิ่งในดวงกิจที่จำนัดได้ทดี่ที่ขัดเกลาได้แล้วก็ผู้บริสุทธิ์นั้นหมดไปจากโลกไหมยังอยู่ในโลก เระฉะนั้นพวกเราทาบุญให้ทานแลลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมใครปฏิบัติธรรมได้องค์ของสมาธิผู้นั้นก็เริ่มเข้าถึงพระพุทธเจ้าแหละเริ่มเห็นพระพุทธเจ้าใครพิจารณาโดยธรรมที่เกิดความรอบรู้ในกองสังขารแล้วก็ละปล่อยวางสิ่งนั้นปล่อยวางสิ่งนี้ละสิ่งนั้นได้ละสิ่งนี้ได้รู้สิ่งนั้นได้รู้สิ่งนี้ได้เข้าใจสิ่งนั้นได้เข้าใจสิ่งนี้ได้ละมาโดยลําดับละมาโดยลําดับลําดา เหมือนกับเราเห็นพระพุทธเจ้าเด่นชัดเข้าไปเด่นชัดเข้าไปเด่นชัดเข้าไปเรารักได้หมดหรือว่าเห็นองค์พระพุทธเจ้าเต็มตัวองค์พระพุทธเจ้าคือองค์ธรรมที่เกิดขึ้นที่มีขึ้นภายในหัวใจของเรานั่นแหละคือพระพุทธเจ้าแท้เป็นเหตุชำระจิตของเราให้ได้ถึงความบริสุทธิ์เมื่อบริสุทธิ์เต็มดวงก็คือเห็นพระพุทธเจ้าเต็มองค์นี่ระะพระพุทธเจ้าจึงทรงตรัสว่าผู้ได้เห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมแม้พระองค์ทรงพระชนอยู่พระวัคคลีเดินกระทั่งเหมือนพระว่าจะเดินจับชายกีวรของพระองค์ไปทุกฝีก้าวเพราะติดในพระรูปพระโฉมของพระองค์พระองค์ก็ทรงพิจารณาความแก่กล้าอินทรีย์ของพระรัคคะลีพอถึงการถึราที่พระองค์จะทรงต่เพิดให้พระวัคคะลีรู้สึกตัวพระองค์ก็ทรงตรัสว่าแม้เธอจะเดินจับ ชายกิวัของเร า, าไม่เชื่อว่าเธอเห็นเราแท้จริงพระวักกะลีติดในรูปโฉมของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยมหาบริลักษณะมีรูปงามดูตรงไหนของพวกนี้งามหมดนเพระาะวักกะลีดูพระโฉมของพระพุทธเจ้านไม่อิ่มไม่พอไม่อิ่มไม่พอทีนี้พอถึงการทิ้งคราวที่ควรพระองค์ควรจะกระเพิดหมายความว่าอิ่มสีก็เริ่มแก่กล้ากันแล้วเธอมาติดตามดูอะไรกับเรา ถึงแม้ว่าเธอจะเดินจับชายจีวรเธอก็ไม่เห็นเราผู้ใดเห็นเราคนนั้นชื่อว่าเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมชื่อว่าเห็นเราเพระะาะวัคคะเลถูกพระพุทธเจ้ากระเพิดก็เลยเสียใจเสียใจเกาไปที่เหวหน้าผาเพื่อที่จะไปโดดเหยวตายพระพุทธเจ้าประสงกระแสกิจไปตามไปแผ่รัศมีเห็นพระองค์เพราะเพระะาะวัคคะเลติดในพระรูปโฉมของพระพองค์ พอเห็นพระรูปโฉงของพระองค์พระองค์พระนี่ในขณะที่จะกระโดเดเหวตายเนี่ยเกิดรื่นปีติยินดีเนี่ยร่างกายลอยขึ้นมาระลึกได้ดํารงมั่นอยู่ในวิปสัสนาญาณพระวัคลิลได้บรรลุธรรมนี่คือการเห็นพระพุทธเจ้าชื่อว่าเห็นธรรมการเห็นธรรมชื่อว่าเห็นพระพุทธเจ้าและประจิตที่บริสุทธิ์นั้นมีอยู่จริงไหมมีอยู่จริงอันนี้เราไปอ่านดูในตำรับตาราใน มหาปรินิพพานสูตรตอนที่พระรู้จิตเจ้าจะทรงดับขันนิพพานนะพระองค์เอาพระจิตของพระองค์น่ยแสดงปาฏิหาริย์แสดงกิริยาให้พระสาวกได้เห็นโดยเอาพระจิตของพระองค์เน่ยเข้าปฐมิฌานจิตที่บริสุทธิ์นั่นแหะพอเข้าปฐมิฌานพระสาวกก็นั่งดูพระมุุทุพระอุบาลีพระอนุรุทัศแล้วก็พระอานุเนนั่งดูกันแต่พระมุรุทัศสามารถมองเห็นพระอนุรุทัศเนี่ยเป็นผู้ เป็นผู้เลิศในทางทิฏประจักษสุขสามารถมองเห็นจิตผู้อื่นแต่จะเห็นจิตพระพุทธองค์ต่อเมื่อจิตดวงนั้นเนี่ยเข้าสู่สมมติปฐมมิชานก็เป็นส ม, มุติชานที่หนึ่งชานที่สองชานที่3ามชานที่4ีก็เป็นส ม, มุติชานที่ไม่มีรูปจะเรียกว่าอารูปิชานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่นี่ก็เป็นสมมติพระฌานของพระจิตของพระองค์เนี่ยเข้าปฐมมิชานเข้าทุติยฌานเข้าจั ตัทยาชานเข้าจากพุทธชานเข้าชานที่หนึ่งเข้าชานที่2เข้าชานที่สาเข้าชานที่4เห็นเฉพาะตอนเข้าชานทนั้นตอนออกจากชานไม่เห็นออกจากรูปไจชานแล้วไปเข้าอรูปไจชานอรูปไปชานที่หนึ่งที่สองที่สาที่สี่เวลาท่านไปพาดพิงในชานถึงจะเห็นแล้วก็ไปประทับอยู่สงบนิ่งอยู่ในสัญญาเวทที่ยิตนิโรธเพราะสัญญาเวที่ยิตนิโรธเขาเป็นสมุติ ทังรูปไปฌานทั้งอรมณ์ไปฌานทั้งสัญญาเวททยตนิโรธเนี่ยเป็นสมมุติเป็นวิหารธรรมที่จิตดวงนี้ศึกษาได้ปฏิบัติได้แล้วก็มีได้และเข้าถึงได้สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ไ ม, ใชไม่ใช่นิพพานเป็นวิหารธรรมเป็นที่อยู่ของจิตในเมื่อเข้าไปโดยลําดับพระนุรุทธะก็เห็นเวลาพระองค์ไปทรงประทับอยู่ในสัญญาเวททียตนิโรธก็เห็นแต่พระสาวกต่างๆเหล่านั้นไม่ทราบ พระองค์เหมือนกับคนนิพพานแล้วไม่หายใจไม่อะไรทั้งหมดเลยเหมือนกับดับแล้วเหมือนกับตายแล้วพระเข้าบาลีก็ถามถามพระอนุทุธาว่าพระพระพุทธเจ้านิพพานแล้วหรื อ, อยังบอกว่ายัางพระองค์ยังทรงประทับอยู่ในในสัญญาเวทีติโรจากนั้นแล้วพระองค์ก็ถอยออกมามาเข้าตะติยมาเข้ า, ม า, ขามาเข้าอารมณปิชาตั้งแต่เบื้องสูงลงมาตั้งแต่ชั้นที่สี ที่สามที่สองที่หนึ่งอรูปฌานแล้วเข้ามาเข้ารูปไปฌานที่สี่ที่สามที่สองที่หนึ่งเสร็จแล<ๆ>้วก็ออกมาเป็นพระจิตธรรมดาพระมนุษย์ตามรูได้หมดทีท <amps> ่านเข้าไปใหม่เข้าปฐมฌานเข้าฌานที่หนึ่งเข้าฌานที่สองเข้าฌานที่สามเข้าฌานที่สี่เสร็จแล้วท่านออกจากฌานที่สี่แต่ท่านไม่ไม่เข้าอรูปฌานนะออกจากรูปไปฌานแล้วก็ไม่เข้าอรูปฌานท่านไม่เข้าไปอีก ในเมื่อท่านไม่เข้าสมมติทั้งรู ป, ประฌานทั้งอรูประฌานพระอนุรุทธะไม่เห็นว่าประจิตที่บริสุทธิ์ของพระองค์ไปไหนเพราะท่านไม่ได้พาดพิงสมมตินี่คือความบริสุทธิ์ของจิตสามารถรู้ได้เห็นได้ต่อเมื่อพาดพิงสมมุติแต่เมื่อเมื่อท่านไม่พาดพิงสมมุติแล้วแม้แต่ผู้มีมี ม, มีที่ประจักษ์สุขเช่นอย่างพระอนุรุทธะก็ไม่สามารถจะมองเห็นได้นี่คือ คือธาตุรู้ที่ชำระที่ขัดกลาที่บริสุทธิ์ได้แล้วไม่เป็นสองกับสิ่งใดเป็นหนึ่งเอโกโอธรมูเป็นธรรมแท้เดียวไม่ว่าพระติจ้า ก, ก็ตามไม่ว่าพระสาวกพระอธิยาสาวกไม่ว่าครูบาอาจารย์ของเรารุ่นปัจจุบันนี้ก็ตามที่ยังมีอยู่ยั ง, งทรงธาตุขันยูนก็มีเมื่อท่านชำระจิตให้บริสุทธิ์แล้วจิตของท่านยังอาศัยอยู่กับสมมุติกายก็เป็นสมมุติแม้แต่สมาบัติของท่านก็เป็นสมมุติ เป็นวิหารธรรมสมาธิสมาบัติทั้งหลายทั้งปวงนี้เป็นส ม, มุติเป็นวิหารธรรมนั้นเมื่อท่านยังยังมีชีวิตอยู่ยังมีพิชชนอยู่ท่านก็อาศัยส ม, มุติเหล่านี้แหละอาศัยกายอันนี้แหละในเมื่ออาศัยกายกพูดได้เผยแผ่ทาได้ประกาศบอกทำได้แต่พระจิตบริสุทธิ์จากกิเลสมันหมดไปจากจิตแล้วจิตดวงนั้นบริสุทธิ์ มาอาศัยสมมุติก็อาศัยอาศัยศัพท์ถ้าว่าอาศัยอาศัยศัพท์ถาว่าอาศัยก็รู้กายกายก็เป็นเฉพาะกายก็ละได้แล้วเวทนาสัญญาสังขารก็เป็นขันธ์แต่ละอย่างแต่ละอย่างก็ละได้แล้วแต่ยังมีชีวิตอยู่ก็ยังจะต้องอาศัยธาตุขันธ์เหลนี้แหละเป็นอยู่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมโปรดพุทธบริษัทเป็นเวลาถึง4ี่สิห้าพระพันษาก็อาศัยธาตุขันธ์ อันซึ่งเป็นผลิตผลของกิเลสนี่แหล ะ, ะแสดงอัดแสดงธรรมประกาศศา ส, สนาไว้ให้พวกเราได้ยินได้ฟังคือผู้รู้ผู้บริสุทธิ์นั่นแหละเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วแต่ยังอาศัยธาตุขันเป็นเสมือนเปลือกนอกเป็นเสมือนเป็นเสมือนเป็นเสมือนกระดองเหมือนเต่าเป็นเสมือนรังหรือเป็นเสมือนถ้ำที่ท่านมาอาศัยเท่า น, นั้นเองแต่ท่านไม่ได้ติดในสิ่งเหล่านี้ พออยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปสีวันนี้หมดอายุไขท่ากระทิ้งท่านไม่ได้รับกองทุกไม่ไม่ได้รับทุกรับรับโทษจากการแตกสลายทําลายไปของขันอันนี้อแต่ในเมื่อเป็นอยู่ความเป็นความอยู่ธาตุขันก็มีความเปลี่ยนไปแปรไปเหมือนกันธาตุขันว่ามันก็มีความเจ็บมีความปวดประจำธาตุขันอยู่เหมือนกันแต่ท่านก็รับทราบแต่ท่านก็ไม่ได้รับกองทุกจากสิ่ง ที่มาเผาหลนธาตุขันนี้ให้ให้เสื่อมไปให้สลายไปให้เป็นไปต่างๆนานาแม้แต่อตอนดับที่วายชนไปแล้วคือขันแตกทําลายไปแล้วท่านก็ไม่ได้ไม่ได้รับทุกข์รับโทษได้รับความเสีย อ, อกเสียใจอะไรอววรอะไรกับธาตุขันอันนี้เพราะท่านไม่ได้ยึดขันอันนี้แล้วม อ, มองเห็นขันนี้เป็นอื่นไปแล้วไม่มีเราไม่มีตัวตนของเราไม่เป็นเราไม่เป็นตัวตนของเรา ถอดถอนได้แล้วโดยข้อปฏิบัติทั้งหลายทั้งปวงเป็นจิตที่บริสุทธิ์พุทโธถึงแล้วซึ่งบรมสุขประมาณสุขขันประมาณสุขันนี่คือจิตของเราสามารถชำระได้แล้วเวลานิพพานไปแล้วเนี่ยตายแตกทําลายไปแล้วพระจิตที่บริสุทธิ์ไปไหนไหมก็คงจะอยู่ในโลกนี่แหละเพราะธาตุทั้งหลายทั้งปวงทั้งรูปวัฏธาตุทั้งนามาธาตุเนี่ยไม่มีเสื่อมสลายไปจากโลกเราดูร่างกาย ร, ร่างกายที่ประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุาไฟร่างกายที่ประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุลมน้ํำธาตุลมธาตุไฟเวลาตายไปแล้วสิ่งเหล่านี้ก็เสื่อมสลายและก็ละลายไปเป็นเป็นวัตถุประจำโลกอย่างธาตุดินก็ละลายไปกลายไปเป็นธาตุดินธาตุน้ําก็เสื่อมสลายแลเหยไปเป็นไอน้ําไปเป็นธาตุน้ําธาตุลมก็กลายไปเป็นลมแล้วก็ธาตุไฟก็กลายไปเป็นไฟ ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟก็เสื่อมสลายไปไปเป็นธาตุดินดั่งเดิมไปเป็นธาตุน้ําดั่งเดิมไปเป็นธาตุไฟไปเป็นธาตุลมดั่งเดิมธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟของเราที่มาเกาะกลุ่มกันได้ด้วยอํานาจของกรรมด้วยอํานาจของกิเลสที่มีอยู่ภายในใจทําให้เรามีพบมีชาติแล้วก็มีธรรมก็เป็นกันและเกาะกลุ่มกันได้ด้วยอํานาจของกรรมกรรม ที่เราควรจะได้สมบัติมาเป็นมนุษย์เราก็มาเกิดในเป็นมนุษย์นะดดนกกเกิดได้ด้วยอำนาจของกรรมเกิดได้ด้วยอำนาจของธรรมถ้าหามันหยาบคล้ายมากไปกว่านี้เราก็ไปไอัตภาพพิต่ำซามมากไปกว่านี้ไปเป็นวัวเป็นควายเป็นหมูหมาเป็ดไก่ตามอัตภาพของจิตดวงที่หยาบหยาบอยู่นั่นแหละนี่มันก็มีมีความมีมีความเป็นอยู่อย่างนี้นะ จิตใจของคนใจิตใจของสัตว์เนี่ยสามารถสับเปลี่ยนกันเกิดได้ตามอำนาจของกรรมเราเป็นมนุษย์ดีๆเนี่ยถ้าเราตั้งอกตั้งใจสร้างคุณงามความดีเพิ่มขึ้นเราดับแล้วเราก็อาจจะได้ไปเกิดเป็นเทวดาได้ร่างกายทิพย์ได้กายทิพย์อยู่ในสวรรค์ชั้นนั้นๆเมื่อตั้กตั้งใจภาวนาแต่ละกิเลส ย, ยังไม่ได้กิตได้รับความสงบแต่พอถมไปชั้นชั้นที่หนึ่งที่2ที่3มที่4ี่ก็ไปเกิดตามชั้นตามภูมิของของพร นี่มันเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติยาละเอียดไปตามอำนาจของจิตที่เราสร้างสมอบรมมาถ้าหยาบคายมากก็ไปเป็นสัตว์เลี้ยงฉันยามากไปกว่านั้นก็ไปเป็นเปรตไปเป็นสัตว์นรกอสุรกายต้องได้รับทุกทุกโทษต้องได้รับความทรมานอยู่ในนรกอยู่ในอาเวจีความเปลี่ยนแปลงไปของจิตของเราะสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้หมดทําช่วยชาลโม ก็สามารถตกโรคตกอบายภูมิได้ทําดีขึ้นมากลางๆสามารถจะพอเป็นมนุษย์ได้เราก็มาเป็นมนุษย์ได้อัตภาพเป็นมนุษย์ทําจิตใจได้ละเอียดกว่านี้ต่าละเอียดกว่านี้ก็ไปเกิดเป็นเทวดาชั้นต่างๆละเอียดมากวันนี้ไปอีกด้วยอนุภาพเองได้รับความสงบก็ไปได้ไปอุบัติในสวรรค์ชั้นพรหมอายุไขัยเขาเปลี่ยนแปลงไปตามนั้นปยาบายภูมิก็มีอายุไขคื อ, ขอการเวลาจํากัด มาเกิดเป็เมื่อก็คืออายุไขคือการเวลาจํากัดไปเกิดเทวดาไปเกิดชั้นสวรรค์ชั้นพรห ม, มก็เกิดก็มีอายุจํากัดมีอายุไขจํากัดพอหมดอายุไขก็ดับอย่างนั้นมาแล้วก็สับเปลี่ยนมาควรจะได้อัตภาพยังไงก็ได้อัตภาพอย่างนั้นอัตภาพทั้งหลายทั้งปวงนี้เกิดขึ้นได้ด้วยอะไรเกิดขึ้นได้ด้วยอํานาจของกรรมที่เรามีอยู่ภายในจิตกรรมมีอยู่ภายในจิตด้วยเหตุใดก็โดยเหตุที่ว่าจิตของเราไม่บริสุทธ์ มีตันหามีอุปาทานเมื่อมีตันหาคือความทยานอยากแล้วก็มีอุปาทานมี <sorta> ม i i. มความยึดยึดยังไงก็ไปเกิดอย่างนั้นยึดยังไงก็ไปได้อย่างนั้นที่จะเรียกว่ามีพบยึดยังไงก็ไปได้มีพบที่นั่นเมื่อมีพบแล้วเราเราจะต้องไปเกิดในพบนั้นที่เรียกว่ามีชาติเมื่อมีพบเราจะต้องไปเกิดไปเกิดในชาตินั้นที่เรียกว่าเป็นชาติเมื่อชาติก็คือเกิดขึ้นมาแล้วเกิดขึ้นมาแล้วเป็นรูปเป็นร่างเป็นตัวเป็นตนแล้วก็ต้องแก่ก็ถูก ต้องเจ็บก็ทุกข์ก็ต้องตายประทุกข์ก็หมุนเวียนอยู่อย่างนี้แหละไม่จบไม่สิน้นในวัฏสงสารนี้ไม่ว่ามนุษย์ไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าสวรรค์มนุษย์สัตว์สวรรค์ชั้นชั้นไหนก็ต่างย่อมมีการหมุนเวียนไปสับเปลี่ยนกันไปอยู่อย่างนี้แหละไม่จบไม่สิน้นเรายิ่งศึกษาไปเท่าไหร่เรายิ่งเห็นความอัศจรรย์ของพระพุทธเจ้าที่ท่านทรงมีความสามารถแหวกวงในตาข่ายของวัฏสงสารนี้ออกไปได้แล้วก็วางแนวทางให้พวกเรา ทั้งหลายนี่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้รับความสุขได้รับความเช่มชื่นได้รับความสงบได้รับความอิ่มเอิบได้รู้จักลดรู้จักลัรู้จับปล่อยรู้จักวางสังยโสตคือกิเลสที่มามัดหอวจิตหัวใจของเราให้เบาไปตามเพศตามภาวะตามความสามารถแห่งตนแห่งตนนี่คืออํานาจของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อทรงตรัสรู้แล้วก็เอาธรรมะที่ทรงตรัสรู้นั่นแหละมาสอน เป็นพระธรรมธรรมคําสั่งสอนของพระองค์เนี่ยสอนตามหลักที่มีอยู่จริงเป็นอยู่จริงไม่ได้ไปเสกสรรปั้นแต่งที่ไหนมาเลยโลกมีอยู่ยังไงภาวะของโลกมีอยู่อยังไงเป็นอยู่ยางไงเอาอย่างงั้นมา <mar> สอนตามหลักความเป็นจริ ง, <mar> รงทําให้ผู้ได้ยินได้ศึกษาตามไปตามนั้นทนะ่าสอนว่าทําอย่างนี้นะทําอย่างนี้เป็นการรักษาศีลการรักษาศีลก็คือการมาขุดช่องรูที่กิเลสมันเกิดแต่ละรูแต่ละช่องแต่ละช่องแต่ละช่อง จะเป็นศีลห้าก็ตามศีลห้าโดยที่ท่านอุดช่องช่องความชั่วช้า ล, ลามกที่จะเกิดขึ้นห้าช่องอปานาฆ่าสัตว์ฆ่าสัตว์นัคือทำกรรมเป็นเวรเป็นภยัยเป็นบาปเป็นกรรมอทินาก็คือสร้างกรรมเป็นเวรเป็นภยัยเป็นบาปเป็นกรรมกาเมสมิตรฉาพระพฤติผิดลูกผิดเมียเขาเนี่ยก็คือสร้างเวร ส, สร้างกรรมสร้างบาปสร้างกรรมมุสาสุรา ก็คือสร้างเวรสร้างกรรมให้กับตัวเองเนี่ยคือช่องแต่ละช่องน่ยในเมื่อเราทําแต่ละช่องแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละข้ อ, แ ต, ข อ, แ, ตขอแต่ละข้อเราผิดศีลแต่ละข้อแต่ละข้อมันก็เป็นเหตุให้เราได้บาปได้กรรมสร้างบาปสร้างกรรมสร้างกิเลสสร้างกรรมเพ ER ิ่มภูณทวีคูณให้กับดวงจิตของเราเนี่ยเพราะฉะนั้นท่านจึงมาบัญญัติไม่ให้ฆ่าสัตว์เพราะถ้ายิ่งฆ่าก็ยิ่งได้บาปกรรมไม่ให้ลักทรัพย์ในเมื่อลักไปก็ยิ่งได้บาปได้กรรม ให้พระพฤติผิดลูกเมียสร้างไฟก็คือได้บาปได้กรรมได้กองทุกได้กองโทษแต่และอย่างแต่และอย่างเป็นโทษทั้งนั้นผิดศีลข้อหนึ่งก็ได้โทษข้อสองข้อสามข้อสี่ข้อห้าก็ได้โทษถ้าหากเราไปผิดศีลข้อห้าสามารถจะทําให้เราเนี่ยมัวเมาแล้วก็ผิดศีลข้อหนึ่งเพิ่มอีกก็ได้ข้อสองเพิ่มอีกก็ได้ข้อสามเพิ่มอีกก็ได้ข้อสี่เพิ่มอีกก็ได้นี่แต่และข้อแต่และข้อมันปิดช่องแห่งความช่วยช้าหลามกที่เราจะพึงปฏิบัติตามนั้น อันเป็นผลิตผลของกิเลสทั้งหมดชิ้นท่าชิ้นแปะก็ละเอียดเข้าไปอีกเพิ่มไม่รับทานอาหารอนยามิการเพิ่มไม่ตกแต่งร่างกายประดับประดาตกแต่งตัวเองเพิ่มความไม่ไปร้องรำทําเพลงอันเป็นเหตุเองอับบเหตุเป็นเหตุแห่งความรุ่มหลงแล้วก็ไม่นั่งไม่นอนที่นอ น, ท, นที่นอนที่เราสูงใหญ่ภายในยัดเยนนุนสมัมฤทธิเป็นเหตุเราหลงเคลิบเคลิ้มเพลิดเพลิน สินแปดก็เพิ่มเข้าไปอีกทําให้เราได้ข้อปฏิบัติละเอี๊ยเข้าไปอีกสินแล้วก็สินสองสินสิบเป็นไงของเนนไม่ให้จับแม้กระทั่งอชาติรูปราชตักคือเงินและทองศินของสำมานเรนสินของทิ่สูงอีกสองร้อยี่บเจ็ดก็เอี๊ยเข้าไปอีกมีเราดูที่พระองค์ทรงบัญญัติขึ้นมานะรู้แต่มาทำเป็นกําแพงมากีดมากัน้นจิตใจของเราไม่ให้ออกนอกลูก่นอกทางศิน เหมือนกับเป็นรั้วขนาบสองข้างสองข้างทางที่เราเดินไปข้างหน้านเดินไปสู่มรรคผลนิพพานมาให้เราออกซ้ายมาให้เราออกขวาแต่ถ้าเราไม่มีศีลเป็นไงเดินไปแล้วก็อาจจะหลบซ้ายอาจจะหลบขวาในเมื่อหลบไปแล้วก็มาอยู่ในช่องที่เราจะไปให้ถูกศีลให้ถูกทำให้ถูกทางได้เราอาจจะหลบซ้ายเราอาจจะหลบขวาในที่สุดเป้าหมายที่เราไปก็ไม่ถึง ในเมื่อเราตั้งใจปฏิบัติรักษาศีลโดยแท้จริงศีลจะทันานาให้เราเดินไปตามช่องตามทางไปสู่มรรคไปสู่ผลไปสู่นิพพานได้อย่างจริงเพราะฉะนั้นท่านจริงท่านจริงว่าศีลเป็นบาตรเป็นฐานของสมาธิสมาธิเป็นบาตรเป็นฐานของปัญญาปัญญาเป็นบาตรเป็นฐานของพิมุตพิมุตคือความหลุคือความหลุด ค, ค, คือความพร้นะเป็นเหตุได้ความรู้ความเข้าใจให้ได้ญาณทัศน์ ให้เกิดความรู้ให้เกิดความเข้าใจและสมัครลดล ะ, ละกิเลสตัณหาอสวะภายในหัวใจเราได้นี่คือแนวทางที่โปรง่งได้ได้มาแล้วก็มาบอกให้พวกเราตั้งใจรักษาศีลถ้าเราไม่ตั้งใจรักษาศีลเราก็เหมือนกับว่าเราไม่มีที่เหยียบทํางานไม่มีบาตไม่มีฐานไม่มีพื้นฐานที่จะทําให้เราเหยียบทํางานได้เราจะทํางานได้สะดวกยังไงในเมื่อกิจของเรา กระทบกระเทือนจากการไม่มีศินการไม่มีสิล น, น, น, นั่นแหละมันเอาทุกข์เอาโทษมาให้จิตได้รับความเร้าร้อนอยู่ทุกวันเวลานาทีจะความมาสงบมาจากไหนเพราะฉะนั้นเมื่อเราตั้งใจจะทําจิตให้ได้รับความสงบเป็นเหตุให้เราจะต้องได้สํมมารวมธรรมะระวังเกี่ยวกับเรื่องศินด้วยถ้าเราไม่มีศินสินตัวนี้แหละมันจะเป็นไฟเผาลนเราว่าผิดสินข้อนั้นข้อนั้นข้อนั้นข้อจิตไม่ได้รับความสงบถ้าเมื่อจิตไม่ไม่ได้รับความสงบแล้วมันก็ไม่เป็นตัวของตัวแล้วแหละ กิเมันก็แทรกเข้ามาภายในจิตอ่ะแทรกให้เรา น, นึกคิดแทรกให้เราทุกยากลำบากกับเรื่องเวรเรื่องภัยเรื่องกรรมที่เราทำมาแล้วน่ะเราก็จิตใจของเราก็ไม่สงบแต่ถ้าเรามีสีนจิตใจของเราสงบเมื่อจิตใจเราสงบกำลังของความสงบภายในใจของเราก็มีเอาพลังเอาขุมพลังที่เรามีความสงบนี่แหละไปพิจารณาเกิดความรอบรู้ในกองสังขานทาไมจริงจริงต้องพิจารณาเกิดความรอบรู้ ถ้าหากเราไม่พิจารณาเกิดความรอบรู้เราก็หลงในกองสังขารเช่นอย่างเรามาหลงกายแล้วก็เมื่อหลงกายแล้วก็ยึดกายเราก็มาหลงเวทนาเมื่อมาหลงเวทนาเราก็ยึดเวทนายึดสัญญายึดสังขารยึดวิญญาณว่าเป็นเราว่าเป็นของของเราเรายึดเท่าไหร่เราก็ได้รับความทุกข์เราได้รับกองทุกข์เพราะสิ่งสิ่งทั้งหมดนี้ เ, เป็นกองทุกข์เป็นผลผลของกิเลสที่กิเลสมันสร้างขึ้นมาอัตภาพร่างกายนี้เป็นผลผลของกิเลส กิเลสมันสร้างขึ้นมากิเลสคืออะไรกิเลสก็คืออำนาจของความอยากในหัวใจของเราเนี่การตั้งใจปฏิบัติรักษาศีลการตั้งใจใรัทําจิตให้ได้รับความสงบก็คือความอยากนั้นมันสงบความอยากภายในใจของเราสงบความอยากนั้นคือกิเลสคือตัณหาเมื่อเราทําจิตให้ได้รับความสงบมันก็ไปใหญ่ยจิตไม่ได้จิตคือผู้รู้คือธาตุรู้โดยเหตุที่จิตไม่บริสุทธิ์มีสิ่งเหล่านี้เคลือบแฝงมาด้วย มีอำนาจของความอยากโดดดิ้นเดาเดาเดอยู่ภายในจิตน่ะก็เป็นเหตุให้จิตเนี่ยหลงเคลิบเคลิ้มไปต่ออำนาจของความอยากน่ะต้องดิน้นต้องรนต้องส่อต้องแสวงไปอย่างไม่หยุดไม่ย่อนนี่เพราะฉะนั้นท่านจึงให้พิจารณาทางด้านปัญญาก็คือพิจารณามาดูผู้รู้นี่แหละผู้รู้มันโดดมันดิน้นเราทําจิตใ ห, ให้ได้รับความสงบไอ้ตัวความอยากที่มันพาจิตโดดโดดดิ้นเนี่ยมันก็สงบลงได้ในเมื่อสงบลงได้สงบ บ่อยครั้งเข้ามันก็เชื่องมันก็ชินมันก็เชื่องมันก็ชินกับงานที่เราให้ทําแล้วกำหนดให้สงบปั๊บมันก็ได้รับความสงบเรากําหนดจิตภาวนาปั๊บเราก็ได้รับความสงบเมื่อจิตสงบก็คือกิเลสสงบกิเลสสงบก็คือตัณหาที่มีอยู่ภายในใจสงบอํานาจของความอยากมันสงบมันไม่มายุใหญ่จิตให้โดดให้ดิ้นมีความอยากยังไม่จบไม่สิ้นเรามันยุเมื่อไรเราต้องเป็นไปตามมันเมื่อนั้น ความอยากมันมีอยู่ภายในจิตมันยุจิตเมื่อไรเ่ยเดี๋ยวเราต้องต้องทําตามมันนะอ่ะยุให้อยากไปนู้นเราก็ต้องโหลดไปนู่นทุกยากลําบากหนาเนั้นเราก็ต้องทำํำเมื่อมันให้เราทํามันยุเราให้ให้ฆ่ า, าสัตว์ก็ได้ยุเราให้ลักทรัพย์ก็ได้ยุเราให้ฆ่าคนก็ได้ยุเราให้ปล้นให้สะ d o เพื่อให้เป็นไปได้ตาม อ, อานาจของความอยากที่มันอยากก็ได้มีอํา น, นาจของความอยาก มันจะยุ่งให้เราทําทุกสิ่งทุกอย่างสารพัดที่เป็นเปลี่ยนเป็นไปนแต่เราก็อาศัยตัณหาอาศัยผู้รู้นี่แหละทําให้เราอยากอยากประกอบคุณงามความดีอันนี้ท่านไม่เรียกว่ากิเลสที่ว่าธรรมให้เราอยากตั้งใจรักษาศีลมันก็เป็นธรรมให้เราอยากภาวนาทาํากิจให้ได้รับความสงบอันนี้ก็เป็นธรรมถ้าเราไม่มีพลังอํานาจของความอยากเพื่อจะมาต่อต้านสีที่เป็นกิเลสแล้วนี่ เราจะเอากำลังจากไหนมาปฏิบัติจะมีจะเอากำลังใจมาจากไหนเพราะฉะนั้นเราต้องมีมีกำลังใจคืออำนาจความอยากที่เป็นธรรมนี่แหละตั้งใจปฏิบัติไม่มีศีลก็ตั้งใจปฏิบัติรักษาศรรีลไม่มีทานก็ตั้งใจให้ทานเพราะผลของทานก็มีผลเมียในสงศีลก็มีผลเมียในสงทำจิตให้ได้รับความสงบก็มีผลมีอานสง์นก็อาศัยความอยากนี่แหละ แต่ความอยากแขลงมาโดยธรรมเมื่อจิตสงบมีความรอบรู้พิจารณาเกาะสําคาญเพื่อทําลายความรุ่มหลงย้อนไปย้อนไปย้อนไ ป, น ไ, ปไปดูตัวที่มีความอยาบความอิดความดิ้นดินด้นแสวงหาพบดิ้นแสวงหาชาติตามตันหาภวะตันหาวิภาวะตันหาที่ดิ้ดิ้นอยู่ภายในหัวใจของเรานี่โทษของมันเป็นยังไงราคะออกมาแล้วโทสะออกมาแล้ว เกิดขึ้นจากอำนาจของความลุ่มหลงภายในตัวเองที่เรียกว่าโมหะโมหะคือความไม่รู้ตั้งใจศึกษาตั้งใจปฏิบัติแล้วก็ไอ้ตัวความอย่างนี้มันบดมันบังไปหมดเนี่ยทำให้เราไม่รู้ไม่เข้าใจทําให้เกิดความโลภหลงโลภมันบดมันบังในหัวใจทําให้เกิดความโกรธหลงโกรธความหลงนี่แหละเป็นเหตุให้เราโลภความหลงนี่แหละเป็นเหตเราโกรธทำไมถึงหลงเนื่องจากว่าเราไม่ได้ยินเราไม่ได้ฟังเราไม่ได้ ศึกษาว่าอันนี้คอืออะไรอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรกายคืออะไรเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคืออะไรเป็นอะไรให้ทุกให้โทษอย่างไรเราไม่ได้ยินเราไม่ได้ฟังเราไม่ได้ศึกษาวันๆเราก็ทําตามอำนาจของกิเลสทั้งหมดน uh, ําแต่กองทุกกองโทษมาให้เรานี่ท่านจึงให้เราศึกษาเพื่อให้รู้ให้เข้าใจว่ากายนี้มันมีความจริงของมันเป็นอยู่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เวทนามันเป็นความจริงมีความจริงอย่างนี้อย่างนี้ศึกษาเข้าไป สัญญาสัญขารมีญยางมีความจริงเป็นอย่างนี้อย่างนี้เป็นผลิตผลเป็นมรดกของกิเลสเป็นอย่างนี้อย่างนี้ด้วยเหตุที่เรายึดด้วยเหตุที่เราถือสัญญาอุปาทานเป็นอย่างนี้อย่างนี้เราจึงได้อย่างนี้อย่างนี้ศึกษายเกิดความรู้ศึกษายเกิดความเข้าใจเข้าใจอย่างรู้อย่างเข้าใจอย่างเจียมแจ่แล้วก็ละไว้ปล่อยไว้ในฐานะที่ว่าเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งจิตของเราก็ถอดออกมา ถอนออกมาจากการยึดมั 1500, ่นจากการถือมั่นในตายจากการยึดมั่นถือมั่นในเวทนาจากการยึดมั่นถือมั่นในสัญญาในสังขารในวิญญาณจิตมันถอนออกมาจิตถอนออกมาก็เหมือนกับแบบเป่าออกไปเป่าออกไปเป่านั้นออกไปเป่านี่ออกไปเป่านี่ไปจิตของเราก็เริ่มบริสุทธิ์เหมือนกับว่าข้อปฏิบัติแต่ละอย่างมันมันชำระขัดจราจิตของเราจิตของเราก็เริ่มบริสุทธิ์มลทินที่มาเกาะมากลุมอยู่ภายในหัวใจของเราเนี่อันนั้นก็ชำระไปอันนี้ก็ชำระไปอันนั้นก็ซํารอบไป จิตที่บริสุทธิ์จิตก็จะเริ่มบริสุทธิ์ชมาละไ ด, ด, ด, ด้หมดจดจิตก็หมดหมดจดบริสุทธิ์โดยชิ้นเชิงมีความเป็นไปของกายความเป็นไปของจิตการที่เราตั้งใจมาศึกษาธทำมาปฏิบัติธรร ม, รรมก็คือมาทํางานตรงนี้หลยเพราะฉะนั้นเราอย่าลืมบาดฐานศีล ส, สมาธิปัญญาสิ่งที่นอกเหนือไปอย่างนั้นอ่ะเป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่โดยการสมมุติ ที่มีอยู่เป็นอยู่ในโลกทั้งนั้นนับตั้งแต่กายของเราเวทนาสัญญาสังขารจิน ญ, ญามของเราเป็นสิ่งสมมุติทั้งนั้นเราศึกษาปฏิบัติเพื่อละเพื่อวางเพื่อถอดถอนให้เป็นวิมุตต์ให้พ้นจากสมมติพ้นจากสมมุติก็เป็นวิมุตต์พ้นจากสมมติพ้นจากสมมุติก็หมายความาว่าไม่ยึดไม่เกี่ยวไม่เกาะจิตถอนออกมาแล้วพ้นแล้วพ้นแล้วจากภาวะที่ทําให้เราหมกมุ่นคลุกคลีไป ไปอยู่กับกองทุกเงินเป็นเป็นผู้บริสุทธิ์อ่าเป็นผู้ดำรงตนโดยอยู่อยู่อยู่เอกเทศอ่าในคราวมีชีวิตอยู่มีชีวิตอยู่เราก็ต้องอาศัยสิ่งอนี้แต่เมื่อไดรับกองทุกไปกับกายกับธาตุกั บ, กบขนนันธ์อันนี้ผู้บริสุทธิ์ก็คือผู้บริสุทธิ์ถอนมาโดยโดยอัตโนมัติถอนมาด้วยข้อปฏิบัติถอนมาด้วยการได้ยินได้ฟังแล้วก็ตั้งใจศึกษาปฏิบัติเข้าถึงอย่างแท้จริงเอาออกได้อย่างแท้จริง เราศึกษามาตรงนี้จะทำให้เราคลายจากความรุ่มหลงคลายไปเรื่อยคลายไปเรื่อยตั้งใจรักษาสินตั้งใจทำจิตให้ได้รับความสงบอย่าลืมว่าแค่ความสงบมันก็ทาให้เราพออยู่พอเป็นพอไปเหมือนกับเรามีอยู่มีกินเราไม่อดไม่อยากเราไม่อดไม่อยากเนื่องจากว่าเรามีสมาธิเรามีความสงบการที่จิตไม่มีความสงบต่างหาจิตจะโดดดิ่นไปตามความอยาก เรารู้แล้วการมาตัณหาเพราะว่าตัณหาวิภพะตัณหาคือตัณหาตัณหาแปลว่าความทยานอยากมันดิดมันดิ้อยู่ภายในจิตเมื่อจิตเราหยุดจิตเราสงบจิตเรานิ่งตัณหาไม่โดดไม่ดิ้นหมายความว่าจิตมีอาหารดูดดื่มไม่อดไม่อยากมีความสุขมีความชุ่มเย็นความอิ่มเออบภายในจิตพออยู่พอเป็นพอไปไม่ดิดไม่โดดไม่ดิ้นไม่เดือดไม่ร้อนไปกับกับโลกกับสงสารหนึ่งคือความสงบ มันมีผลมันมีอนิสงส์อย่างนี้ทำให้ได้ทาใหไ้ได้รับรสชาติแห่งความสงบเราจะรู้ว่ารสชาติเป็นยังไงมันไม่หิวยังไงมันไม่โดดดิ้นยังไงมันอยู่ยังไงมันสงบยังไงผู้รู้ที่สงบนี่แหละเราเอาอมาพิจารณาพิจารณาให้เกิดความร้รารู้ในกายของของเราในเวทนาสัญญาสังขนนารวิญญาณเกิดความรอบรู้ภายในจิต ก, กิเลสตัณหาอาสวะ คือตันหาความอยากมันเกิดที่จิตมันมีอยู่ที่จิตมันเป็นอยู่ที่จิตย้อนไปดูจิตย้อนไปเล่นงานจิตก็เหมือนเอาไปปอกออกจากจิตปอกไปปอกไปปอกไปปอกจนหมดเหลือแต่ผู้รู้ที่บริสุทธิ์นี่คือครับคือข้อปฏิบัติคือการปฏิบัติคือแนวทางแห่งการปฏิบัติคือวิถีทางแห่งการปฏิบัติของเราเราเดินตรงนี้เราไปตรงนี้เราไปช่องนี้เพื่อความสุขเพื่อความเจริญอย่างแท้จริง มันต้องมีความอดต้องมีความทนต้องมีความฝาฝืนเป็นเรื่องธรรมดาเพราะการทํางานทั้งนี้น่ยต้องฝาฝืนทุกระยะทุกเวลาฝาฝืนอะไรก็าฟาฝืนเจ้าอํานาจของโลกที่มีอยู่ภายในใจของเราน่ยคือตันหาที่มีอยู่ภายในใจของเราต้องฝ่าฝืนมันทุกระยะมันดึงไปเราดึงมามันดึงไปเราดึงมาคือเอาสติเ อ, อ NY, เอาสัมผชัญญาเอาสติเอาสมาธเอาปัญญาที่มีอยู่ภายในจิตของเราน่ย ดึงเข้ามาดึงเข้ามารู้อยู่กับเนื้อกับตัวมีสติระลึกได้ระลึกได้อยู่กับเนื้อกับตัวมีสัมผัสฉัยักอยู่กับเนื้อกับตัวรู้สึกตัวไม่ลุ่มหลงไปตามมากของมันมันดึงไปเราดึงมามันดึงไปเราดึงมาในท่สุก็คอยจดจอ้องดูมันโผล่มาตรงไหนเราก็ตะคุบโผล่ ม, ลมาตรงไหนก็ตะคุบ ม, มันความอยากโผล่ออกมาที่จิตตรงไหนดวงไหนตอนไหนขนาดไหนเราก็ตะคุบ ม, มัน หนักๆเข้ามันก็อ่อนแรงเมื่ออ่อนแรงแล้วก็กค่อยเสื่อมไปสลายไปศูนย์ไปสิ้นไปหายเหื่อแห้งไปเพราะกิเลสคืออำนาจของความอยากเนี่ยมันไม่มีตัวไม่มีตนมันเป็นพลังชนิดหนึ่งเกิดขึ้นแฝงมากับจิตทําให้จิตของเราเนี่ยลุ่มหลงแล้วก็พยายามขัดตัวลุ่มหลง่ะถ้าพูดให้ตรงก็คือเร า, าขัดจิตของเราเนี่ยแหละจิตมันโง่มันเองอะขัดนั้นมันฉลาดขึ้นฉลาดขึ้ น, ด, น ด, ด้วยวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงสอน ขัดไปขัดไปขัดไปแถมรักขัดกล่าวไปจิตก็จะบริสุทธิ์เองนี่สิ่งที่เราจะต้องต่อสู้คืออำนาจของความหยากเราตั้งใจปฏิบัติเราจะต้องฝ่าฝืนเราจะต้องต่อสู้กับสิ่ ง, งต่างๆเหล่านี้จะต้องมีเครื่องมือพร้อมอยู่ในมือของเราเครื่องมือนี้หมายถึงอะไรหมายถึงสติสติคืออะไรสติคือความระลึกได้สติก็คืออาการของจิตสติ อาศัยจิตเกิดเกิดขึ้นพร้อมกับจิต ด, ดับไปพร้อมกับจิตคําว่าสติหมายความว่าเราดึงจิตคือดึงธาตุรู้ดึงผู้รู้นี่มาให้โดดเด่นอยู่ในปัจจุบันถ้าเราจะเที่ยวกเหมือนกับความสว่างถ้าเรามีสติมีสัมปชัญญะประจำจิตอยู่จิตจะโดดดิ้นไปไหนเราก็จะเห็นหมดเหมือนกับว่าสุขความสว่างของสติของสัมปชัญญะนี่มันสว่างโรก แต่จะต้องมีสมาธิพระคับประคลองไปด้วยเพราะสมาธิเป็นมันเป็นความแนบแน่นของจิตมันเป็นพื้นฐานของจิตมันเป็นท่าของจิตที่ทําให้จิตอยู่เมื่ออยู่แล้วจิตก็ได้รับความดูดดื่มได้รับความอิ่มเปิบอ่าตัณหามันแทรกเข้ามาไม่ได้นี่คือเครื่องมือคืออุปกรณ์เราจะต้องมาดูแล ร, รักษาสิ่งเหล่านี้ให้ดีเสร็จแล้ก็ดเนินตามไปตามทางที่ท่านบวกเอาไว้นี่อ่ามักมีองแปรนั่นแหะ รวมไปแล้วก็คือศีลคือสมาธิคือปัญญาก็ศึกษาเข้าไปไม่ไปไม่ไปไหนแหะไปตามแนวตามแถวอ น, นั้นแหละเสร็จแล้วก็ไปกอ่อไปต่อกองท่านวงในกันก็คือพิจารณาของทุกแล้วก็ย้อนไปดูตัวสมุทยัยสมุทัยเกิดที่ไหนเกิดที่จิตย้อนไปดูมันมันก็มันก็อ่อนแรงไปพิจารณาไปพิจารณาไปมันโผล่มากเล ย, ย้อนไปดูมันจะคุบมันได้เมื่อไหร่มันก็อ่อนมันก็ลดแรงลงไปมันก็ลดแรงลงไป จนเป็นเหตุว่ามันเบาไปมันจนมันเสื่อมไปมันสลายไปมันหมดไปเกิดความรู้เกิดความเข้าใจว่าอันนั้นหมดไปว่าอันนี้หมดไปการที่เคยยึดถือว่าเป็นเราว่าเป็นของของเราก็หมดไปเพราะเรามาทุ่เรามาเข้าใจทําลายสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยที่ภัยเรายึดที่ภัยเราก่อนมันอ่อนแรงไปแล้วก็มันเบาไปแล้วมันหมดไปมันเสื่อมไปมันสิ้นไปเราต้องยะได้การต่อสู้ เหมือนลวงตาท่านบอกคู่แข่งขันคู่แข่งขันภายในใจของเราคือกิเลสกับธรรมธรรมต้องแข่งกับกิเลสกิเลสมัน ก, ก็ต้องแข่งกับธรรมในเมื่อธรรมมีกําลังกิเลสมัน ก, ก็มีกําลังเพราะกิเลสอาศัยใจดวงนี้เกิดถ้าเผื่อถ้าเผื่อเราหย่อนให้มันมันฉลาดมันก็อาศัยความฉลาดจากที่จิตตรงนี้เสริมสร้างธรรมเข้ามาที่จิตให้ได้รับความฉลาดพอเราหย่อนให้มันมันก็มันก็เกาะจิตพอเราหย่อนมาที่ธรรมธรรมกาะจิตมันก็ถอยลงไป อาศัยอาศัยธรรมกับกิเลนนี่แหละมาเป็นเครื่องมาเป็นเครื่องมาแย่งชิงกันคือแย่งชิงผู้รู้เราก็พยายามดึงธรรมมาเกาะเกี่ยวกับผู้รู้ให้ผู้รู้โดดเด่นโดยธรรมแต่ในเมื่อเราเผลอปั๊บเนี่ยธรรมเบาบางไปจากดวงใจกิเลสมันก็เกาะกิเลกกับธรรมนี่มีการแย่งชิงกันเกาะกันอยู่อย่างนี้ไม่จบไม่สิ้นเป็นคู่แข่งขันกันไปเพราะฉะนั้นเราจะว่าเราไม่ต่อสู้ไม่ได้เราจะต้องต่อสู้ไปทุกเรื่อย ต้องใปฏิบัติตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงอธรรมะขั้นละเอียดสูงสุดจะต้องมีธรรมะคือกิเลสกับธรรมจะแข่งขันกันกันไปตลอดนู่นไปจนนุ่นพ้นเป็นพระอเป็นพระจนถึงอรหธรรมะได้อรหัตผลกิเลสมันแสงไม่ได้แล้มันหมดแล้วมันเสื่อมมันสลายนสูญหายไปไหนมันไปหมดแล้วแหละมันไม่มีตัวมันไม่มีตนมันเป็น หลักสัจธรรมที่มีอยู่จริงเป็นอยู่จริงที่ไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีตัวไม่มีตน ไ, ไม่มีรูปไม่มีร่างแต่แต่สิ่งที่เป็นอันเดียวที่ที่มีพลังก็คือผู้รู้เมื่อเราช น, นักขัดเกลาให้หมดไปแล้วเนี่ยผู้รู้เราก็บริสุทธิ์ผู้รู้เราก็มีพลังผู้รู้เราประจักษ์สังขารศัตว์สังขารที่ท่านเรียกว่าวิสังขารวิสังขาร ไม่มีไม่มีเปลี่ยนแปลงแล้วไม่มีอันนี้จังเข้าไปเกี่ยวข้องไม่มีทุกข์ังไม่มีอนักตาเข้าไปเกี่ยวข้องชำร้ายบริสุทธิ์เนี่ยเราจะต้องฝา่าฝืนเราจะต้องใช้ความปวดจะต้องใช้ความทนทั้งศึกษาทั้งอบรมทั้งฝา่าฝืนทั้งพยายามย่อนดูจิตของเราให้จิตของเราได้รับความสงบเพราะความสงบนั่นแหละเมื่อจิตเราเริ่มสงบ สภาวะธรรมรอบตัวเราเราก็จะค่อยๆซึมเศร้าเข้าไปอหลักสัจธรรมรอบข้ามตัวเรามันก็จะ เ, เริ่มปรากฏอเริ่มซึมซับเข้าสู่สิ่งนั้นเริ่มซึมซับเข้าสู่สิ่งนี้เพราะฉะนั้นท่านจึงให้เจริญสมาธิเจริญสมาธิก็เอาอะไรมาเจริญก็เอาจิตเรามาเจริญทําให้จิตสงบจิตสงบภายในสงบความสงบภายในสมาธินั้นนะมันประกอบกัด้วยสติอ มันประกอบไปด้วยสัมปชัญญะมันประกอบไปด้วยอาตาปะสามารถที่จะเอามาทำงานทำการได้ไม่ใช่สงบหายเงียบไปไม่รู้สึกไม่รู้สึกตัวเมื่อนรานอนหลับมิดไม่รู้สึกไม่รู้สึกตัวอันนั้นเป็นความสงบที่เราเอามาใช้งานใช้การไม่ไดนะ้เพราะฉะนั้นสัมมาสมาธิท่านจิงจรงจรึงต้องมีมีสติในสัมมาสมาธินั้นจะต้องมีสติจะต้องมีสัมปชัญญะ และจะต้องมีตัวประคับประคองที่ท่านเรียกว่าอาตัดปะคือความภาคความเพียรประคับประคองไปในเมื่อเรามีสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมือพร้อมเมื่อไร่แเราเราก็ประคับประคองแล้วก็สามารถเจริญสมาธิได้จิตเอ่ออิ่มในระความสงบอิ่มพอกเอาจิตที่มีพลังจากความสงบนี่แหละไปพิจารณาได้พอเราไปพิจารณาแล้วจิตไม่เป็นไปข้างหน้าเนื่องจากว่ามันหมดพลังของมันเราก็ย้อนมาสงบน้องตาท่านสอนสองอย่างหนึ่งอยู่กับความสงบ สองออกจากความสงบแล้วให้ไปพิจารณาพิจารณาเหน็บเหนื่อยแล้วก็เข้ามาสงบสงบอิ่มพอแล้วก็ไปพิจารณาพิจารณาเหน็บเหนื่อยว่าเข้ามาสงบท่านสอนอยู่แค่นี้แหละเข้ามาสงบก็คือสัมถัเข้าไปพิจารณาก็คือวิปัสนาพิจารณายังไงพิจารณามากน้อยเท่าไหร่พิจารณาจนกลายเป็นวิปัสนาวิปัสนาญาณเกิดความรอบรู้สามารถละลดล ะ, ละสังโยชน์ได้นึ่งเป็นวิปัสนาญาณ มีเป็นข้อปฏิบัติเป็นแนวทางพวกเราได้ยินได้ฟังเป็นปรหมายณไายทางแล้วก็ตั้งใจศึกษาตั้งใจปฏิบัติไม่ใช่เราอยู่ลอยๆออยู่ไปวันวันอยู่อย่างไม่มีจุดหมายปลายทาง อ, อยู่อย่างอยู่อย่างบริโภคปัจใจสีของชาวบ้านไปวันวันแล้วพวกเราจะเสียเปรียบนะจะเสียเปรียบ แทนที่จะได้บุญได้กุศลได้รับฟองทุกของโ ท, ทดเพิ่มขึ้นเรื่อยอันนี้ลําบากต้องพิจารณาอีกด้วยเพราะขึ้นชื่อว่ากิเลสเรื่องของกิเลสมันแทรกระมาทุกสิ่ทุกอย่างสารพัดแทรกมาทางกิริยากายกิริยาวาจาแทรกมาทางากิริยาจิตมันคอยจะจะชักจิตของเราไปตามอานาจของความอยากของมันถ้าเราปล่อยมันเมื่อไหร่ละไปตามอําอนาจของความอยากนั้นมันอยากไปอะไรลองดูภายในใจของเรา มันคิดเรื่องอะไรมันปรุงเรื่องอะไรเนี่ยมันคิดปรุงเรื่องมันเรื่องความความอยากถ้าเราหย่อนมันตามมาสักหน่อยหนึ่งเดี๋ยวเราต้องไปลุกเดินตามมันไปทําสิ่งนู้นไปทําสิ่งนี้ตามตามที่มันบอกบางทีก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่งามผิดสินผิดธรรมแหไปสร้างเหตุไปสร้างกองทุกข์ขึ้นมาแล้วสักหน่อยหนึ่งถูกมันมัดคอแล้วความอยากในเมื่อมันมีความอยากเกี่ยวกับสิ่งใดเราจะเห็นสิ่งนั้นอ่ะเป็นเครื่องเยิมเข้ามาหน้าอยาก หน้าอยากได้น่ายินดีน่าเพลินใจน่าพอใจนี่เห็นไ้ยมายาของกิเลสมันหลอกมันลอ่อมันเป็นเหยื่อล่อของมันพอเราไปงับปับ๊บไม่ต่างอะไรกับปลางับเหยื่อในเบ็ดนั่นแหะงับปับ๊บติดแล้วติดปลาแล้วเบ็ดเกาะปาแล้วคืออะไรกล่องทุกกล่องทุกมันเกาะแล้วกองทุกมันเกาะแล้วเราดูเราพิจารณาศึกษาคนความเมืน หมุนเวียนอยู่กับอย่างนี้เราก็จะได้รับความรู้ได้รับความเข้าใจแล้วก็พลังอํานาจของความอยากที่มีอยู่ภายในใจของเรามันค่อยๆเบาไปค่อยๆเบาไปเนื่องเนื่องจากว่าเรารู้เราเข้าใจเราจาระเราขัดเกลาความสุขเราก็ไม่ต้องตามถามหาดอกมันก็มาตามนั้นบุญกุศลที่เราจาระขัดเกลารได้ก็คืออันนี้แหละคือความสุขคือความเจริญนี่แหละเนื่องจากว่าเรามาจำรัถูกที่จารักที่ใจจาระสิ่ง ที่เป็นต้นเหตุของทุกข์ก็คือหัวใจเรามาชําระที่ใจกองทุกข์มันก็ย่อมจะเบาบางไปในที่สุดเราละได้รับโทษได้รับขอไดอ้ตามชั้นตามภูมิแล้วก็ได้รับความสุขความเทิญได้ตามชั้นตามภูมิละได้หมดก็วิมุตติพ้นไปไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏสงสารมันเป็นกองทุกข์มันเป็นเหตุให้เราเข็ดเราหลาบไม่หยุดไม่หย่อนเนี่ยตั้งอกตั้งใจศึกษาและปฏิบัติกัน เอาล่ะพอสมควรกี่เวลาละสามทุ่มพอดี